ถ้าให้ระบบเงื่อนไขหนุนกดธรรมชาติได้ก็จะมีผลดีจริงปัญหานั้นมีพวกที่มักพ่วงพามาด้วยกันสามอย่างรวมเป็นชุดเรียกว่าปั่ปันจะทมแปลตามศัพท์ว่าทาที่ทําให้ยืดยาดเย่อนเยอยุ่งยากขอแปล ง, ง่ายๆว่า กิเลสตัวปั่นไม่ต้องอธิบายความหมายพูดถึงแต่ไนยะที่จะทำให้จำง่ายๆได้แก่ 1. ตัณหาอยากได้ 2. มานะอยากใหญ่ 3. ทิฏฐิใจแคบยึดติดเอาแต่ความคิดเห็นของตัวกิเลสตัวปั่นคืออยากได้อยากใหญ่และใจแคบ 3. าข้อนี้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 และด้วยความรู้นั้นก็แก้ปัญหาได้นี่ก็ง่ายง่ายคือว่าถ้ามนุษย์ฉลาดก็พยายามโยงกฎสมมติหรือกฎสมมุติของมนุษย์ให้เป็นหนุนกฎธรรมชาติให้ได้มนุษย์ที่ฉลาดตั้งกฎสมมุติขึ้นเพื่ออะไรก็เพื่อมาหนุนให้กระบวนการของกฎธรรมชาติดําเนินไปในทางที่จะให้เกิดผลสมตามที่มนุษย์มุ่งหมายเราอยากให้ต้นไม้เติบโตงอกงาม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 นายคนทําสวนนั้นไม่มีฉันทะที่เป็นเหตุปัจจัยตัวเริ่มต้นในกระบวนการของกฎธรรมชาติละ่ะก็จบกันนี่ก็เข้าในทางตรงข้ามถ้าคนทําสวนนั้นมีแต่ตัญหาต้องการแต่ผลในระบบเงื่อนไขคราวนี้ละ่ะตัวเขาเองก็ทํางานด้วยความทุกข์เพราะมีแต่จําใจฝืนใจและเมื่อเขาจําใจทํางานการทําสวนก็ไม่ได้ผลดี ถ้าเป็นอย่างนี้กันมากหรือทั่วๆวไประบบการทั้งหลายของโลกมนุษย์ก็รวนก็แปรปรวนเสียไปพูดง่ายๆว่างานก็ไม่ได้ผลคนก็เป็นทุกข์ไม่ใช่แค่นั้นพอคนทำงานไม่มีฉันทะแต่มากด้วยตัณหาเขาไม่ตั้งใจทำงานเลี่ยงงานหลบงานไม่ซื่อหาทางบิดเบี้ยวโกง ตลอดจนมีการทุจริตต่างๆเช่นหาทางลัดในระบบเงื่อนไขนั้นและมีการรั่วไหลต่างๆก็ต้องมันเน้นการจัดตั้งระบบควบคุมแล้วทีนี้พอตันหาเข้าไปครอบงำระบบควบคุมนั้นระบบควบคุมก็ยิ่งต้องจัดให้คุมกันซ้อนขึ้นไปซ้อนขึ้นไปหลายๆชั้นและตันหาก็พาพวกกิเลส ช, ชุดตัวปั่นมาก่อความวุ่นวายกันครบทั้งชุด ในที่สุดคุมกันไปคุมกันมาตันหาก็พาไปถึงอบายได้ผลอย่างที่คนไทยเคยอ่านโครงโลกกันิดที่ว่าบาดสิ้นเสือตายนั่นแลหมายเหตุเพิ่มเติมจากผู้อา่านขออนุญาตเสริมข้อมูลเพื่อความเข้าใจคำว่าบาดสิ้นเสือตายเรื่องมีอยู่ว่าสวนสัตว์แห่งหนึ่ง ได้เสือโคร่งใหม่มาหนึ่งตัวทางผู้บริหารระดับสูงของสวนสัตว์ตั้งงบประมาณอาหารเสือตัวนั้นเป็นเงินหนึ่งบาทต่อวันตามค่าเงินในสมัยนั้นเมื่อคนเลี้ยงเสือได้เบิกเงินหนึ่งบาทไปซื้อเนื้อมาเลี้ยงเสือแต่ละวันเขาได้ยักยอกเงินค่าอาหารเสือไปนหนึ่งสลึงเสือได้กินเนื้อราคา75ห้าสตางค์ต่อวันเสือไม่อ้วน ผู้คนมาชมสวนสัตว์เห็นเสือไม่อ้วนจึงร้องเรียนไปที่ผู้อำนวยการสวนสัตว์ว่าตั้งงบประมาณค่าอาหารเสือน้อยไปผู้อำนวยการจึงส่งผู้ตรวจการไปตรวจผู้ตรวจการคนนั้นไปตรวจแล้วรู้ความจริงว่ามีการยักยอกเงินไปหนึ่งสลึงเขาจึงขอเงินค่าปิดปากจากคนเลี้ยงหนึ่งสลึงสถานการณ์ยิ่งเลวร้าย เพราะคนสองคนยักยอกไปสองสลึงเหลือค่าอาหารวันละสองสลึงเท่านั้นเสือจึงผอมลงไปอีกต่อมามีผู้รายงานว่าเสือผอมลงผอมลงผู้อำนวยการจรึงส่งผู้ตรวจการระดับสูงไปผู้ตรวจการคนนี้ไปตรวจได้สามวันรู้ความจริงเรื่องทุจริตจึงขอแบ่งเงินค่าปิดปากอีกหนึ่งสลึง คนสามคนยักยอกไปสามสลึงเสือเหลือค่าอาหารหนึ่งสลึงจึงผอมเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกนอนหายใจระรวยมีคนรายงานไปที่ผู้อำนวยการสวนสัตว์ว่าทำไมยิ่งตรวจสถานการณ์ของเสือยิ่งย่ำแย่ผู้อำนวยการจึงส่งผู้ตรวจการระดับสูงสุดไปตรวจเหตุการณ์ ผู้ตรวจการคนนี้ไปได้สามวันเสือตายเพราะเขาไปขอแบ่งสลึงสุดท้ายเป็นค่าปิดปากโครงโร ก, กั น, นิิได้บันทึกไว้ว่าเบิกทรัพย์วันระบาทซื้อมังสานายหนึ่งเลี้ยงพยักคาไปอ้วนสองสามสี่นายมากํากับกันแฮบังทรัพย์สี่ส่วนท่วนบาทสิ้น เสือตายต่อไปขอกลับเข้าสู่เนื้อหาในหนังสือพุทธธรรมเพราะฉะนั้นจึงอย่าให้ระบบเงื่อนไขมาทำลายหรือสยบฉันทะแต่ต้องไหวทันมีความฉลาดที่จะจัดให้ระบบเงื่อนไขนั้นมันหนุนฉันทะที่จะกลับเคลื่อนกระบวนการของธรรมชาติไปให้ได้ในยุคปัจจุบัน ที่เรามีระบบเงื่อนไขของตัญหาเป็นใหญ่อยู่นี้การที่ความเจริญงอกงามในทางที่ดียังพอมีพอเป็นไปได้ก็เพราะยังพอมีพวกฉันทะแอบอาศัยแฝงตัวอยู่ในระบบนี้บ้างสำหรับโลกมนุษย์นี้เอาแค่ว่ายาเพลินประมาทปล่อยให้ระบบตันหาขึ้นมาเป็นกระแสะใหญ่จนพวกฉันทะอยู่ไม่ได้ต้องตบลีค่อยๆเลือนหายหมดไป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 และมนุษย์ส่วนใหญ่ก็ยังอยู่ในระดับปัญหาข้อสำคัญอยู่ที่ว่าผู้จัดการระบบเงื่อนไขต้องเป็นคนแบบฉันทะและจัดการระบบเงื่อนไขนั้นให้ฉันทะมีช่องทางเข้าไปเป็นใหญ่กับทั้งให้มาตรการเด็ดขาดอยู่ที่ความไม่ประมาทในการจัดให้คนได้พัฒนาตนของเขาได้พูดมาพอเป็นตัวอย่าง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 จะแก้ปัญหาอะไรก็ถูกจุดได้ง่ายและจะก้าวไปในการพัฒนาความสุขด้วยความมั่นใจเป็นอย่างดี